พระพุทธจักรศาสนานีเท่านั้นที่สามารถแก้การเกิดตายของสัตว์โลกได้และพระพุทธจักรศาสนามีความมุ่งหมายที่จะประกาศธรรมสอนโลกเพื่อแก้การเกิดตายของสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตไปเรื้อรังประจำวัฏจักรนี้มานานแสนนาน ไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นลงไปได้หรืออย่างน้อยก็เบาบางไม่มีมีพุทธศาสนานี้เท่านั้นเพราะทำไมถึงทราบว่ามีพุทธศาสนานเท่านั้นก็เพราะศาสนานี้แสดงถึงสัจธรรมทั้งสี่ประการนี่คือทาเครื่องสังหารวัตถะโดยแท้อย่างอื่นไม่มีทางเมื่อ ได้เข้าใจจากการได้ยินได้ฟังแล้วจะเป็นทางหนังสือก็าตามจากครัวจากก็าตามหรือจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก็ตามแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติตามหลักสัจธรรมที่เป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยมทําลายวัต จ, จิตวัตจักรของสัตว์โลกนี้แล้วนําไปปฏิบัติ อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องถามผู้ใดเลยขอให้ดําเนินตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เถอะหรือสอติปัฏฐานสนี่เป็นธรรมที่แน่นอนได้ตัวที่สุดไม่มีกิเลสตัวใดจะเล็ดลอดออกไปจากเครื่องมืออันนี้ที่จะสังหารไม่ได้หรือคนไม่พบหาไม่เจออย่างนี้ไม่มี สัจธรรมทั้งสจึงเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักใยของพระพุทธศาสนามาเป็นประจําศาสนานี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใด <shoe> เป็นศา <io> สนาเอกขึ้นมาก็รัสรู้ธทำสัจธรรมทั้งสีนี้และนําสัจธรรมทั้งสีนี้ประกาศกังวานแก่โลกเรื่อยมาจนกระทังงง่งถึงพวกเรา <GO> <o> นี่เป็นศาสนธ ร, รรมหรือเป็นสัจธรรมที่ ที่ถูกต้องแม่นยำและสมมักสมหมายแก่ผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยความมุ่งหมายบ่งบอกอย่างชัดเจนก็คือเพื่อแก้ปัญหาความเกิดตายของจิตแต่และดวงหะดวงเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราเป็นสำคัญนี่เท่านั้นผลพลอยได้ต่อไปคือยังเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่พุทธศาสนา ต้องการอย่างแท้จริงก็ให้ไปเกิดในสถานที่ดีความทุกข์เบาบางลงและเป็นการสร้างปณิสัยให้เบาบางให้มีความมากมูลขึ้นโดยลาดับสิ่งที่เป็นค่าศึกต่ออัดต่อทำต่อความที่จะให้ไม่ให้เกิดตายนั้นได้แก่กิเลส <c oughs> ก็อันนี้ก็จะค่อยเบาบางลงไปโดยลาดับลาดั บ, ดบเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสร้างบารมี ความจริงก็คือสังหารสิ่งที่เป็นฆาตศึกอกู่พายในจิตใ จ, จนั่นแหละการสังหารเป็นประโยคนอันสำคัญมากสำหรับผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ต้องทำอย่างหนักมือสำเป็นสำรตายเช่นเดียวกับเขาเข้าสู่แนวรบชนะเท่านั้นเป็นความมุ่งหมายของนักรบเอาไม่ชนะก็ตายเป็นความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าของนักรบในสงครามนี่ก็เป็นเช่นเดียวกัน เป็นความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าของพระพุทธเจ้าที่จะประกาศธรรมสอนโลกให้ได้รู้ได้เห็นตามพระองค์ท่านในขณะเดียวกันก็เป็นการสังหารกิเลสซึ่งสังแนนอยู่ภายังจมอยู่ภายในจิตให้หลุดลอยออกไปได้ตรัสรู้หรือได้บรรลุธรรมตามเจต พ, พุทธเจ้าท่านดังพระเบ็นจวคีทั้งห้าเป็นต้นนี่เป็นพระประสมค์อย่างแรงกล้าของศาสดา องปัจจุบันของเราฉะนั้นก็ลดย่อนกันลงไปตามกำลังวาสนาของผู้จะก้าเดินได้เพียงใดและจะสังหารวัตจกรวัตจิตสิ่งที่เป็นค่าสืบต่อจิตใจนี้ได้มากน้อยเพียงไดเช่นสาเร็จเป็นไม่ได้พระ อ, ร, ะอรหัตตะบุเป็นพระอรหัตตะบุคคลก็ให้เป็นพระสกีทาคาบุคคลไม่ได้พระ พระกิตาไม่ได้พระอนาคาบุคคลก็ให้ได้พระสะกิตาคาบุคคลหากไม่ได้ถึงขั้นพระสะกิตาคาบุคคลก็ให้ได้ถึงพระโสดาบันบุคคลหรือเป็นกัณยานุปุตชนเป็นลําดับ ล, ดลําดาลงมานี่เป็นผลถอยได้ที่เคลื่อนมาหรือว่าที่ลดหย่อนลงมาจากอันดับหนึ่งคืออรหัตตบุคคลซึ่งเป็น ภูมิที่สูงสุดจุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายโดยประการทั้งปวงรองลำดับลงมาก็คือพระอนาคามีท่านเหล่านี้ที่อยู่ของท่านเป็นความแน่นอนตามขั้นภูมิแห่งธรรมของท่านที่แก่กระมีความดมล้ำต่ำสูงต่างกันอันดับแรกก็ไม่พ้นที่จะเกิด ชั้นสุดทวารในชั้นที่หนึ่งคืออวิหาชั้นที่สองตามภูมิแห่งกิจภูมิแห่งธรรมอัตตาชั้นที่สามสุตัสสาชั้นที่สี่สุตัสศรรีชั้นที่ห้าเกว่แก่กล้าเต็มที่อคานิฐาเลยจากอคานิฐาแล้วก็พ้นหลุดพ้นเข้าก้าเข้าสุนิพาน นี่เป็นลำดับดำดามาชนี้นี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ประธานพระาศาสนาไว้ตลอดถึงการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทรงมีความมุ่งหมายอย่างนี้เป็นสำคัญในภายในพระทยเราจะเห็นได้จากปัดินมะยามทรงเรงยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดจะมาคล้องกับตาข่ายคือพระยานของพระองค์ และชีวิตจะมาถึงอย่างรวดเร็วทั้งๆ ท, ท, ที่มีนิสัยอยู่นั้นนะก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนแล้วไปแสดงธรรมในสถานที่เจนนามีความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าสำหรับทมประเภทสูงสุดนี้เป็นพื้นฐานของพระไทยแห่งพระพุทธเจ้าไม่ส่งลดละผลพายหน้กะดังที่กล่าวนั้นแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้ง ด้วยความสั์ความจริงด้วยความรู้ความเห็นจากพระไทยของพระองค์จริงๆแสดงอย่างอาถารให้สักบรรดาผู้ตบริษัททั้งหลายได้ทราบบางพวกได้สำเร็จพระอรหันตผลในขณะที่ฟังนั้นแหละบางพวกสำเร็จพระสักกิธาขาบางพวกสำเร็จพระอน า, าค า, บ า, กกาบางพวกสำเร็จพระสักกิธาบ้างพวกสาเร็จพระโสดา ทังพวกเข้าถึงสนะเป็นกัิญาณปุตติชนนี่เป็นผลทอยได้โดยลำดับคาดาเรียกว่าผลมาตั้งแต่สุดยอดโดยลำดับลงมาดังที่กล่าวมานี้เป็นความมุ่งหมายของศาสดาที่ประทานพระโอวาทไว้และประทานธรรมแก่โลกโดยตลอดเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่สําคัญมากในการแก้ความเกิดตาย ประจามกิจของสัตว์โลกให้หุดพ้นไปได้เป็นอันดับแรกอันดับต่อไปก็ตัดทอนวัตตะวนวัตกิจวัตจักรที่แสนยญญืดยาวนั้นให้หดสั้นเข้ามาโดยลำดับลำดาจงกระทั่งถึงกุดด้วนไปไม่มีอะไรเหลือภายใน จ, ใจิตใจกลายเป็นใจที่เบิสุดพุตโธขึ้นมาก็เพราะาศาสนาธรรมเหล่านี้นี่นจึงเรียกว่าเป็นศาสน า, าศาสนางองค์เอกด้วย เป็นาศาสนธรรมที่เอกด้วยนี่ค่ะพุทธศาสนานี้เป็นพุทธศาสนาที่เอกเอาอยากทราบว่าเป็นพุทธศาสนาที่เอกให้ดําเนินตามปริญญาศึกษามาแล้วได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เกสาลุมานาคาทันทาตาตะโจ ท, ที่ได้รับมาจากอูชาเรียกว่าเป็นการศึกษาแล้วในเบื้องต้นฉนั้นดูตํำรับตําราและฟังจากครูจากอาจารย์ไ ป, ปจากนั้นก็ น, นําไปพืชปฏิบัติ ตามที่ท่านสอนนี้จะไม่เป็นอื่นผลอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ต้องได้อย่างแน่นอนเพราะทําเหล่านี้ตีตะล่อมเข้าสู่จุดอันเป็นผลที่จะได้ดังที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นนับแต่อรหัตตบุคคลลงมาจนกระทั่งถึงกัญญาณปุติชนจะไม่นอกเหนือจากสมบัติธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการปฏิบัติของผู้ปฏิบะจริงอจริงนี้เลยจะต้องปรากฏ นี่เป็นข้อยืนยันคือภาคปฏิบัติปริยัติเมื่อศึกษาแล้วให้ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มจิตตภาวนาจากกำหนดพุดโทธโทธธรรมโมสังโฆในภาวนาบทใดก็าตามนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติพยายามรักษาใจบังคับจิตใจไม่ให้คิดไปในสิ่งที่ไม่ควรคิดเรียกว่าสิ่งที่ผิดไม่ให้คิดพยายามหักห้ามไม่ให้คิด ให้คิดในสิ่งที่ถูกเช่นคําบริกรรมภาวนานี่เป็นหลักใหญ่ของการอบรมโบมอินรีของตัวเองจนปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาเนี่ยเราจะเราพิสูจน์จิตตัวเกิด ต, ดตายที่ว่าเกิดตายเกิดตายหมายถึงจิตนี่มีเชื้อแล้วเข้าไปอาศัยร่างนั้นร่างนี้ร่างหยาบร่างละเอียดที่ร่างที่ ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีร่างที่มองเห็นได้ชัดเจนอย่างชัดบุคคลทั่วๆไปนี้ก็มีแต่างเป็นเปรตเป็นผีเป็นสุรกาที่ให้ชื่อให้นามต่างๆนั้นไม่มีประมาณมากยิ่งกว่าที่เรามองเห็นด้วยตานี้เป็นที่ไหนนี่ก็เป็นพบแต่และอย่า ง, างที่จิตเข้าไปแทรกสิงไปอาศัยตัวจิตเองไม่เคยตายตัวจิตเองไม่เคยคิบหายหากเป็นนักทองเกลียวอย่างนี้ตลอดมาดังหลวงปู่มั่นพันว่าไว้ว่าจิตคือนักทองเกี่ยว นั่นแหละท่านผู้ปฏิบัติเป็นผู้พูดออกมาเองด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงๆไม่ใช่พูดออกมาแบบรุ่นดาเกาหมาัดผู้ปฏิบัติพูดตรงไหนถูกตรงนั้นเพราะท่านพูดออกมาจากภาคปฏิบัติของท่านความรู้เห็นของท่านประจักษ์ใจเต็มที่แล้วจึงสามารถพูดออกมาได้อย่างเต็มปากไม่กระดาบไม่จะทตกสะท้านนี่ท่านว่ากิจก็คือนักทองเที่ยวนี่แหละความต้องแก้ยวของกิจเป็นสําคัญ เราจะเริ่มทราบตั้งแต่ภาคปฏิบัติยิตะภาวนาเราเริ่มทำจิตให้สงบถ้าเราอยากจะทราบตามหลักความจริงที่พระองค์ประกาศสอนไว้มาตั้ง 2,500 กว่าปีนี้แล้วมันมีตั้งแต่ชื่อส่วนมากมีแต่ความจำเต็มหัวอกความความจาเต็มปากพูดได้คล่องยิ่งกว่านกขุนทองแต่ภาคปฏิบัติไม่ปรากฏกิเลสตัวไหนจะ เป็นตัวที่เปราะที่สุดหลุดลอยออกไปโดยที่ไม่ได้ชำระสรสางกันบ้างเลยนั่นไม่เคยมีในธรรมของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเปราะที่สุดบรรดากีเลนหรือล้านเลนของขี้เลนเปราะแม้ปูยาตายาของกิ้เลนจะเหนียวแน่นแก่นผูกมัดพวกเราก็ตามแต่เล้นล้านเลนของขี้เลนนั้นเปราะอย่างนี้ไม่เคยมีเพรามันเป็นยังไงปูย่าตายาเป็นยงไงล้านเลนมันเป็นอย่างนั้นมันเหนียวมันแน่นเหมือนกันหมดแสดงออกมาแต่ละอย่างไละอย่าง เมตต่ลวดลายของกิเลสทั้งนั้นที่จะทำให้เรารุ่มหลงแล้วยอมจานวนตามมันหา ท, าทางต่อสู้ไม่ได้นี่เรื่องของกิเลสเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพินิษฐพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังสังเกตในภาคปฏิบัติอย่างอื่นไม่ทราบจำก็จำไม่เฉยดังที่กล่าวนี่แหละไม่ไม่มีทางทราบเรื่องจิตจะถือทั้งการนี้เลยว่าเป็นตัวของเรา ร่างกายทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าด้วยอกิจเข้าไปอาศัยนี่และ ว, ว่าเป็นตัวใีทั้งหมดนีซ่ซึ่งผิดไม่มีอะไรที่จะให้อาภาัยเลยนอกจากม้อพิจิตรเอาขึ้นเฉียงไปเสียเท่านั้นไม่ต้องกุชลาธรรมาคือความฉลาดตามกันไปได้เลยมอบให้พิจลตไปกินหมด น, นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องในพิจารณา กำหนดเบื้องต้นเอาให้จิตมันสงบซะก่อนเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะหดตัวเข้าไปสู่ความเป็นตัวของตัวไม่พึ่งพิงไม่อาศัยร่างกายส่วนต่างๆทางตาจิตก็ไม่ออกทั้งหูจิตก็ไม่ออกทั้งจมูกทางลิ้นจิตก็ไม่ออกทางกายสัมผัสนั้นสัมผัสนี้จิตก็ไม่ไปสนใจไม่ออกมีความรู้อยู่โดยเฉพาะเฉพาะอย่างยิ่งในเบื้องขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่สงบตัวให้อยู่กับคําภาวนา คำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้ฝากเป็นฝากตายฝากความรู้สึกทุกแง่ทุกมุมไว้กับคำบริกรรมนั้นเช่นพุโทโธพุโทโธเป็นต้นหรือกําหนดลมหายใจเรียกวาอนาปาณสติก็ให้รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้อยู่เท่านั้นไม่ต้องมุ่งหมายไม่ต้องไปคาดทนายถึงมรรคถึงผลว่าจะเกิดขึ้นเป็นยังไงต่อยังไงตะกตลอดถึงการวาดหอวิมานต่างๆขึ้นมาภารกิจใจห้ามทั้งนั้น ให้มีความรู้อยู่อันเดียวกับลมนี่ให้มีความรู้อันเดียวอยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธเป็นต้นนี่เท่านั้นและวจิตก็จะสงบตัวเข้ามาทําด้วยความมีสติสติไม่มีไม่เป็นท่าตัองมีสติฟังครับอย่างอื่นเราเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตั้งแต่วันเกิดมาจกนกระทั่งนัตรบัดรนี้ตาหูจมูกเลี้ยงกายเพื่อทางออกของจิตที่จะไปสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงทิ้นโนและสิ่งต่างๆทั้งนั้น นืปรากฏเข้ามาสู่จิตใจมีแต่ความแผลความเผาหาความเป็นมรรคผลนิพพานเลิศประเสริฐที่ไหนมีตามลำดับธรรมดาของกิตเดชที่ถุดเล่าออกไปให้รู้เห็นเป็นอย่างนั้นทีนี้จะให้ทําเป็นผู้เป็นที่เกาะของกิตเช่นพุทโธเป็นต้นให้รู้อยู่กับคําบริกรรมนี้แล้วจิตจะสงบเข้ามาจิตเหนือความบังคับไปไม่ได้ตั้งแต่จิตเดสบังคับจิตจิตยังต้องเป็นไปตามจิตเดชเหตุใดธรรมะบังคับจิตจิตก็ไม่เป็นไปตามธรรมไม่ยากเลย ถ้าบังคับไม่ได้ศาสนามีมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนโลกให้วิเศษไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วสาหรับพระเป็นเป็นพระหระหรัสรหัสรหัสยังมาตั้งถึงพระอริยบุคคลทุกประเภทมีแต่พระหรหัสทั้งนั้นกันกรองฉุดลากไปได้ยิเลศไม่ตัวใดไม่เคยฉุดลากคนให้เป็นอริยบุคคลให้เป็นของประเสริฐได้เลยนี่เห็นได้จึงต้องไปจะไปต้องไปสนใจกับความสัมผัสทัมพันธ์ทางตาหูจมูกนิ้วไก่อันเป็นเรื่องของเกต็ดนักหนา เราจะบังคับจิตใจของเราให้อยู่กับคําบริกรรมเพียงเท่านี้ตามการตามเวลาของเราที่จะทําทําไมจะทําไม่ได้ถ้าเราไม่จืดจางสาสกุลไปจิตมันช่วยชาชาสกุลไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นต้องให้หนักแน่นใีน้าปฏิบัติที่เรามันหนักแน่นขนาดไหนมาตั้งกับตั้งกันมันเคยอ่อนตัวเมื่อไงเราทำไมถึงอ่อนเปียกอ่อนเปีย บ, อ, อ, ยบอยู่ตลอดเวลา ท, ทั้งที่วันเราเป็นผู้ปฏิบัติตทำต้องให้มีความแข็งแกร่งเอาให้ได้ให้จิตได้สงบให้เห็น ต่อหน้าต่อตาพราะพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้แท้ๆแล้วผู้ปฏิบัติตามก็เคยรู้เคยเห็นมาอย่างนี้นับจํานวนไม่ท้วนเลยทีเดียวได้ผลเป็นที่พอใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านมีมากมายนี่ด้วยแน่ตั้งแต่บังคับจิตเป็นของบังคับได้จิตเป็นของฝึกผลทรมานได้มีความสงบให้เย็นลงไปได้นี่เป็นขั้นๆตามขั้นตามภูมิของการปลุกอบรมหลายขั้นระหนก็สละเอียดลงไปทีนี้เมื่อจิตสงบตัวเข้าไปแล้ว สแสดงว่าจิจนี้พอไม่พึ่งพิงอาศัยกับสิ่งภายนอกแล้วมีตาหูจมูกเป็นทางเดินออกไปไม่ออกเข้าสู่ความเป็นหนึ่งคือรู้อยู่โดยลาพังตัวเองแม้ที่สุดคําบริกรรมที่บริกรรมอยู่นั้นก็ปล่อยกันได้เหลือคําบริกรรมกับความรู้นั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ตามก็คือรู้อยู่นั้นแหละเช่นพุโทโธแปลว่าธรรมชาติที่รู้คําว่าพุโทโธกับความรู้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันอืม ลมหายใจก็เหมือนกันลมหายใจกับความรู้ถ้เหยียดลงไปเหยียดลงไปจนกระทั่งถึงลมหายใจหายเงียบไปเลยในความรู้สึกแต่มันจะหายไปไหนก็ช่างเถิดลมไปตามตา ม, มันทําหมาเรากําหนดลมก็เพื่อจะให้จิตไปยึดไปเกาะที่ลมมีจุดเดียวเพื่อให้จิตเป็นที่ยับยั้งตัวเองให้เป็นที่เกาะทีนี้เวลาลมหมดไปจิตมันย้อนเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวแล้วความรู้นี่ไม่หมดให้รู้อยู่กับความรู้นั้นนั่นรู้เองอันนี้ เมื่อจิตแล้วถึงขั้นนี้แล้วเริ่มรู้แล้วที่นี้ว่าร่างกายเป็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากความรู้เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากนี่ภาคปฏิบัติทําให้เห็นรู้ในทําให้รู้ให้เห็นในตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปถามใครนี่ยท่านว่าสันทิฏิโกเริ่มปรากฏแล้วแต่ก่อนความรู้นี้ซ่านไปหมดทั้งร่างกายนี้ถ้าว่าจิตก็เป็นไปหมดทั้งตัวว่าตัวเป็นไปหมดทั้งจิตจะ ต, ต้องสัมผัสอะไรก็โดนแต่ตัวโดนแต่ตัว จะบังคับบัญชาตัวเพื่อประกอบความภาคเพียรดัดสันดานกิเลสก็ไปโดนเราอยู่ในกิเลสนั้นเสียโดนกิเลสอยู่ในเรานั่นเสียสุดท้ายก็ก้าไม่ออกเพราะกลัวจะกิเลสจะเจ็บกลัวเราจะจะลําบากนี่มันคะเข้ากันไปถึงขนาดนั้นแล้วเราจะทําความเพียรได้อย่างไรเพราะเราก็โงวนแล้ววันนี้ทั้งเราทั้งเป็นเราทั้งหมด เจ็บนิดปวดหน่อยกระเพาะเป็นเราเจ็บปวดไปเสีทั้งหมดได้สงวนไว้หมดที่มีแต่กิเลสจับจ้องหมดทำมากเลยแยกไม่ออกเลยแทรกเข้าไม่ถึงซึมเข้าไม่ได้จุดท่าก็ได้แต่ความเจ็บปวดร้อนเลาได้แต่ความเข็ดความหลับจะนั่งภาวนาแต่ละครั้งละครั้งเหมือนจะเอาไปฆ่ามันเข็ดมันหลับนั่นคือสติสตังไม่มีจะปัญญามไก่ก้องไม่มีเมต่อเรื่องกิเลสเอาไปกินหมดจกนกระทั่งถึงความเข็ดหลับภาวนาเพื่อความเข็ดหลับก็ เขาเรียกว่าขึ้นเฉียงให้กิเลสยำนะที่อย่างนั้นว่าลงไปให้มันได้เป็นความดูดดื่มเอาจนกระทั่งถึงวันนี้ได้ความเขารู้ความเข้าใจอย่างนี้นั่นเกิดความกยิ้มยิ้มย่อมขึ้นแล้วอืศรัทธามีแล้วจากสันที่ทิโกคือความเห็นความรู้ความสงบแห่งใจของตนเอง ừ. จากนั้นก็เริ่มเข้าไปจิตสงบแนวเข้าไปร่างกายนี้หายเจ็บหายปวดหายเหนื่อยหา ย, หายเหนื่อยหายอะไรไปหมด เหลือแต่ความรู้เด oh, ่นเด่นอยู่กับตรงนั้นนี่แหละคือความรู้นี่ได้ได้เข้าแล้วเข้ามันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ความรู้เป็นอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็เกิดแล้วอัจนระศรัทธาเริ่มปรากฏแล้วว่าจะไม่ไหวที่นี้ถึงมันไม่รวมก็ตามวันนี้รวมได้คติได้หลักได้เกณฑ์อย่างนี้วันหลังไม่รวมก็ตามความรู้เช่นนี้ความเชื่อเช่นนี้ความเคยเป็นเช่นนี้จะไม่ถอนจากความรู้สึกนั้นเลยท่านเรียกว่าอัจฉะ ศรัทธาความไม่หวัน่นถึงจะไม่ไม่รวมไม่สงบก็ตามก็เคยสงบแล้วเชื่อแน่จะให้เป็นอย่างนั้นอีกหนึ่งหรือควรจะเป็นยิ่งกว่านั้นได้ยิ่งกว่านั้นหนึ่งเนี่ยสุดท้ายจิตก็สงบแนว่วความสงบของจิตนี่แหละเป็นเครื่องประกาศให้เราได้รู้ได้ชัดเจนว่าจิตกับกายเป็นอันหนึ่งต่างหากแยกจากกาันโดยไม่ต้องไปถามใครสารพิจิตโกรประกาศเองทีนี้เวลาจิตถอนออกมาหรือสร้างออกไปสู่ร่างกาต่างๆมันก็รู้ชัดอยู่อย่างนั้นและวว่า จิตเป็นอนหนึ่งกายเป็นอันหนไม่ใช่อันเดียวกันนี่เป็นภาคหนึ่งที่เราจะแยกถึงเรื่องการเกิดการตายจากจิตของเราเนี่ให้มันเห็นในชัดเจนเริ่มแรกตั้งแต่นี้แหละไปนี่กรารรำมาทราบในเรื่องระหว่างกายกับจิตก็พอทราบพอละเอียดเข้าไปทางด้านปัญญาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาร่างกายนี้มันเป็นอะไรหลักธรรมชาติของมันก็เคยให้ชื่อตามชื่อเดิมของมันก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนที่แข็ง ภายในร่างกายของเราเช่นเนื้อเช่นหนังอย่างนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าธาตุดินส่วนน้ําที่ซึมซาบอยู่ทั่วสารพาร่างกายเรียกว่าธาตุน้ําลมมีลมหายใจเป็นต้นเรียกธาตุลมไฟคือความอุ่นภายในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างนี้รวมตัวอยู่มีจิตเข้าไปแทรกสิงเป็นเจ้าเจ้าการเจ้าตัวการนรืเป็นเจ้าของอยู่นั้นสิ่ง่านี้จึงให้ชื่อขึ้นมาอีกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายความจริงก็คือธาตุสดินน้ำลมไฟนั่นแหละด้วยหลักธรรมชาติของมัน แล้พิจารณาลงไปมันก็รู้ได้ชัดจากนั้นก็แยกออกด้วยทางปัญาป ญ, ญามันเห็นจะพูดถึงเรื่องทางปฏิกูลก็เอาให้มันเห็นชัดอะไรจะปฏิกูลยิ่งกว่ามนุษย์วะชัดมันปฏิกูลที่ไหนเอามาเป็นอาหารเกื่อนตลาดไปนี่มนุษย์เอามาเป็นอาหารได้ยังไงมันต้องมันปฏิกูลขนาดไหนถึงเอาเป็นเอามาเป็นอาหารมาได้แตกคือกันทั้งบ้านทั้งเมืองเอามนุษย์เข้าไปไว้ตลาดไหนตลาดนั้นแตกถ้าเป็นสมัยทุวันคนพอรู้ดีรู้ชั่วอยู่พอเป็นมนุษย์อยู่บ้างนะถ้าเป็นยักษ์ไปแล้ว เอาอะไรมามันกินหมดไม่เหลือพิจารณาที่แยกเรื่องของปฏิกูลเรื่องอนิจจังทุกขังนาตามันก็ประกาศต่ังวันอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาตามหลักความกินทําไมจึงให้จีเรศมันหลอกเอาว่าเป็นส่วนของสวยของงามมันงามที่ตรงไหนมันเสกกันอยู่อย่างตลอดเวลาจีเรศนั่นแหละเพร้อมตัวปอมมันตัวเสกเก่งและและจิตเราเราก็พลอยปอมปนมันก็ไปกับมันก็เลยเชื่อมันไปตามมันไปอย่างนั้นนี่ยิ่ใช่มรรคปรัสนาแยก ทังที่ว่านี่หลายครั้งหลายหนก็ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปเห็นความตามความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนรางๆหลังๆลงๆเข้าไปเรื่อยเรื่อยเร่อยต่อไปก็แน่เข้าไปแน่เข้าไปชัดเข้าไปฮะว่ารูปคือท่าทีดิน้าลงไฟนี้ไม่เป็นเราแล้วอย่างไม่แล้วนั่นเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆในส่วนร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่เราอีกนี่เราจะด่วนพูดถึงดุลจิตถึงเวทนาทางจิตเอานี้ก่อนเวทนาทางร่างกายของเรา แยกธาตุแยกเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆภายใร่างกายสัญญาความจําของจิตใจแสดงประจำนั้นจนํานี้แยกไประจานั้นจนํามีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันเอาอะไรมาเที่ยงจําได้แล้วหลงลืมไปมันเที่ยงได้ยังไงมันถึงหลงลืมสัญญาทั้งขานความคิดความปรุงปรุงเมื่อไหร่มันก็ดับปรุงขนาดไหนมันก็ดับแต่พรอเอ้าความจริงจากมันที่ไหนถ้าเป็นจิตแล้วทำไมจะดับจิตไม่เคยดับ สิ่งที่ออกไปเหล่านี้เรียกว่าอาการของจิตมันดับได้ทั้งนั้นแ่ละวิญญาณความรับทราบสามารถ ส, สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายมันรับทราบทั้งนั้นรับทราบในขณะใ ด, ดสิ่งสัมผัสผ่านไปมันก็ดับไปพร้อมๆกันนั่นมันเอามันเป็นของเพียงเมื่อไหรอันนี้จังทุกขังาตาอยู่กับมันนั่นแหละเห็นให้มันเห็นชัดเจนจนกระทั้งแยกสี่ห้าอาการที่ออกได้จา ก, กจิตนั่นนั่นอิดรู้ชัดแล้วนะแยกได้แยกได้อรุเบธนาสัญญาสังขารวิญญาณ อาการทั้งห้า น, นี้ก็ไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่สิ่งนี้เปแต่เป็นอาการเพยียงอาศัยกันอยู่มันรู้ได้อย่างชัดชัดภายในจิตใจท่านี่แนหะท่านเรียกว่าชันทิติโกคือรู้เองเห็นเองอย่างนี้ประจักเข้าไปประจักเข้าไปสุดท้ายจะกระทั่งอันนี้ขาดสะบั้นออกไปเลยคําว่ารูปกายนี้ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ชัดๆจริงๆมันเห็นชัดเจนขาดสะบั้นออกจากจิตจริง ๆ, ๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเกียก่ยวเวทนาเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี้มันก็เห็นได้ชัดขาดจาก จากจิตเป็นเป็นเนตจากเวทนาอยู่ภายในกายสัญญาก็ออกมาจากจิตก็ดับให้เห็นดับให้เห็นแสดงความแปรปรวนหเห็นดับไปพร้อมดับไปพร้อมก็รู้ชัดไม่ใช่จิตนี่จิตไม่ใช่อันนี้วิญญาณก็เหมือนกันรู้ได้ชัดนั่นนี่แหละหลักของปัญญาจะพิสูจน์เรื่องจิตว่ามันเกิดมันตายได้ยังไงอะไรพาเป็นพาให้มันเกิดมันตายนี่แหละฝังกันปัญญาฟาดลงไปตรงนี้นี่หลาเรานี่จะเป็นเชื่อเปมันเป็นแขนงของ ของความเกิดแขนงของอวิชชาอวิชชาญาธาตุในความรู้ถ้าจะแปลเป็นทางปริยัตินะเอาญาเป็นชาฮอวิชชารู้แต่ไม่แจ้งไม่ชัดรู้อะไรก็รูปด้นด้นเดาเดาไปอย่างนั้นแหละท่านเรียกว่าอวิชชามันพาให้รู้แต่มันไม่มันไม่ได้จริงฮรู้กับแบบรูปคํำคลำจะเรียกว่าอวิชชารู้ไม่แจ้งไม่ชัดรู้หลงงมงายท่านชี้เรียกอวิชชาความหลงนะ่ นี่อ่ะอันนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยดูไปรูปมันก็ไม่ใช่อวิชชามันไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ใช่กิเลสเมื่อเวลาพิจารณาเข้าไปด้วยปัญญาแล้วมันต่างอันต่างจริงมันเป็นทางเดินของจิตเพียงเท่านั้นเช่นอย่างทางเราออกไปนู่นไปนี่นี่ทวานทั้งทั้งห้าทั้งหกนี่มันเป็นทางเดินของจิตทั้งนั้นมันไม่ใช่จิตนี่มันกระรูดเดชัยขาดตัดออกไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ไม่ใช่จิตนั่นมันตัดออกไปแต่ละใบขาดไป นี่แหะท่านเรียกว่าตัดภพตัดชาตัดเข้าไปอย่างนี้ภายในจิตภายในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะไม่ถามใครจะไปรอถามผู้เจ้าทุกประโยคได้เหรอพู้ทีเจ้าประทานมาแล้วทำมาทั้งหมดสอนพวกเรานี่สอนไปแล้วสวรรค์โตสวรค์โตสวรรค์โตบ่างไรตัไม่ชอบไม่ได้ชอบไม่ได้เอาเดินตามนั้นเนี่ยพิสูจน์เข้าไปพิสูจน์เข้าไปด้วยปัญญาอย่างซาเข้าไปเห็นได้ชัดต่อยต่อยมันปล่อยเองนะเมื่อรู้ชั้นแล้วมันจะเคยถือมันแน่นขนาดไหนก็เถอะเช่นเดียวกับเขา จับคองูนั่นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอาหารคว้าขึ้นมาจากสุม่มจากแหจากที่ไหนก็แล้วแต่ถอะเข้าใจว่าเป็นอาหารอืมหรือเข้าใจว่าเป็นตาไหลคว้าเนี่ยกำคอมันขึ้นมาพอยกขึ้นมาได้เห็นชัดเจนว่าเป็นงูเท่านั้นแหละสลัดเปึ่งเดียวเลยนั่นนี่ก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ชัดว่าสิ่งนี้มันเป็นอสลพิษแล้วสลัดทันทีนั่นแล้ว่าเรื่องเหลือต่อ ควรู้มันเป็นยังไงที่นี่เมื่ออะไรก็ขาดไปหมดรูปก็ไม่ใช่เราเราไม่ใช่รูปขาดกันแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอไม่ใช่เราเราไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้วมันอะไรเป็นเราเมื่อมันยังติดอยู่ตรงไหนมันจะว่านั่นเป็นเราเช่นติดอยู่ในจิตไม่ใช่ว่าจิตเป็นเรา่ะเอากันตรงนี้แหละเมื่อมันไม่หมดทั้งสัมผัสสัมพันธ์หมดทางแก้ไขแล้วหรือว่ามันรู้ชั้นแล้วตามไปเองเนี่ยมันจะปล่อยด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรหรือเช่นยังเราลบค่าสึกยิงไอ้คนนี้มันตายแล้วจะไปยิงมันอีกอะไร ไปยิงคนที่ยังไม่ตายจิตัวคนไหนมันตายแล้วข้ามศพมันไปยิงคนที่ยังไม่ตายอันนี้ก็เหมือนกันตัวไหนที่มันตายแล้วมันรู้แล้วชัดแล้วปล่อยวางแล้วข้ามมันไปข้ามมันไปจนกระทั่งถึงจุดใหญ่คือคือมหากษัตริย์มัตจักรวัตจิตได้แก่อะไรได้แก่อวิชากลวิชากับจิตมันกลมกลืนเดียวกันนี่นี่การพิสูจน์เรื่องการเกิดตายพิสูจน์อย่างนี้สินับปฏิบัติถ้ามันเห็นชัดๆว่าหลวงปู่ที่เจ้ามาสอนเลยให้มันเห็นตัวเองนี่ไปเลยธรรมะเป็นของปัจจุบันตลอดเวลา ถ้าเป็นตลาดก็ตลาดแถมมะพรุนผพานมีการล่าสมัยอย่างไหนนอกจากเราตัวเองให้จิดพาล่าสมัยเท่พอถือเข้าถึงตรงนี้แล้วมันจะไปไหนล่ะจิตน่ะเคยพิจารณาลูกเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณหรือเคยพิจารณาอายุอนนีจังทุกขังแต่มันปล่อยไปหมดเพราะมันอิ่มแล้วมันพอแล้วจะให้พิจารณาอะไรอีกมันรู้ชัดชันในงานจิตนี้น่ะเรียกว่าสันติิโกมันสัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนมันก็ลุกลามเข้าไปลุกลามไปสติปัญญาจะต้องเจาะเข้าไปจาะเข้าไปรู้เท่าตรงไหนมันปล่อยข้างมันปล่อยมันจงกระทั่งถึงเข้าจิตไม มันติดมันยังไม่ยังไม่รู้เท่ามันไม่ปล่อยจิตมันติดอยู่กับจิตมันหลงอยู่ที่จิตเอาสมที่จิตสติปัญญาควานลงไปมันมีอะไรอยู่ที่นั่นคนดูยับยับยับยับมาที่จะมาเป็นอาการห้าเป็นเวทนาสนาาัญญาส้นขาวิญาตมันก็รู้ก็รู้มันบดับยับดับค้นไปค้นมานะเอานี้เราสรุปลงไปเลยนะนี่แหละปัญญาขั้นเที่ยวว่าภาวนามายปัญญาเป็นอย่างอย่างที่อธิบายมาแล้วนี่แหละเลือ่อยเลือเล่อยมาอย่างเนี้ยจนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะพิจารณา มีแต่อันเดียวมีอันเดียวความรู้ก็เด่นสว่างสวัยก็สว่างองอาจการหารก็มมีอะไรเกินอวิชชามันติ้งหลอกโลกเลยอย่างสำคัญท่านโอภาษ์โอภาษท์ทางนย้พระพัดสอนพระพัดสอนท่านว่าหพระพสอนอะไรนี่ละพระพัดสอนตามหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติจะเจอตรงนี้ตัตติปัญญาจะไปหลุดลุยตรงนั้นก่อน ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยพบค่อยพบาไปพบาไปก็มีความเห็นความเป็นอัศจรรย์แล้วก็ติแต่แต่เพราะเหตุว่ามันไม่มีอะไรจะพิจารณามันหมดอะไรอะไรที่เคยพิจารณามามันหมดไปจากนั้นคือว่ามันรู้แล้วมันรู้แล้วมันปล่อยมันปล่อยเหมือนกับว่ายิงฆ่าสึกมันตายแล้วเกินนั้นแหละมันข้ามข้ามจบไปข้ามจบไปข้ามจบไปมันไม่ไปติดใจกับพวกที่ตายแล้วนี่มันติดใจกับผู้ที่ยังอยู่ใครเป็นผู้ยังอยู่ยังอยู่ตรงไหนมันค้นกันไปนั่นนี่มันยังอยู่ที่จิตเชื้อธิฟ้าให้เกิด มันอยู่ที่จิตมันก็ค้นลงไปที่ตรงนั้นแยกกันตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเช่นเดียวกับพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วรู้มาแล้วละมาแล้วนั้นสุดท้ายมันก็พังทลายเหมือนกันะเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้พังทลายไปแล้วนั่นแหละข้าพุทเป็นศัพพระุทธเจ้าที่มาตรัสสลูถ้าเป็นศัพของสววาวกเทวะบรรลุธรรมอย่ยว่าตรัสลูก็เป็นลายไปทำตรงเดียวกันหัวใจพ้นจากทีเดือดอันเดียวกันอย่ว่าตรัสรู้ก็ได้เป็นลายถึงขั้นนั้นแล้ววิเศษวิโสเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะเกาานี้้ข้ขมมไปหดแลว นั่นนี่ที่นี่เป็นเครื่องรู้ร้อเปอร์เซแล้วเริ่มรู้มาตั้งแต่นู้นนั่นแหละไอ้เรื่องเกิดเรื่องตายมันติดสัมพันธ์สัมปันธ์กับอะไรมันก็เป็นพบเป็นชาติมันสืบเนื่องกันไปสืบต่อขนานกันไปพอตัดขาดเข้าไปขาดเข้าไปมันก็วงวงกระแทบเข้ามาแทบประมาจนกระทั่งถึงตัวเชื้อที่ฝังอยู่ภายในจิตทอนกันออกมาอย่างแบบสลัดปัดทิ้งไม่มีอะไรเหลือแล้วที่นี่สิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆอวิชชาจมไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่น นี่แหละตัวพายเกิดทีนี้ก็รลู้ได้ชัดนะที่ที่นี่จะเอาอะไรไปเกิดอะเห็นกันอยู่หนือลู่เนี<ๆ>่ยตัวนี้จะไปเกิดที่ไหนที่นี้เอาเกิดที่ไหนละ่ะอะไรพายให้เกิดก็อันจริงที่มันดับตะกนีนี้พายให้เกิดนั่นมันลู่ชัดขนาดนั้นนะแล้วทีนี้ไม่เกิดแล้วมันจะดับไหมจิตตรงนี้จะ อ, อะไรมาดับนั่นไม่เกิดด้วยไม่ดับด้วยนไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีคําว่ามีอยู่เช่นเดี๋ยวแบบโลกด้วยไม่ศูนย์แบบโลกด้วยมีอยู่แบบความบริสุทธิ์ออื ถ้าว่าศูนย์ศแบบความไม่สุดเหมือนอย่างว่านิพ า, านมีอยู่แบบนิพานศูนย์แบบนิพานไม่ได้ศูนย์แบบโลกสงสามนี่แหละทำ ม, มาผู้ใหเจ้าที่ว่าสอนธรรมสอนโลกสอนในนี้เป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งมีความทร ง, งมุ่งหมายจุดนี้เป็นสาคัญว่างศาสนาลงจากนั้นก็เป็นผลพลอยได้ผู้ใดควรจะได้ผลแบบใดแบบใดก็ดําเนินตามนั้นไม่เสียผลเสียประโยชน์ทัศนธรรมเตรียมเก็บเหมือนกับห้างร้านใหญ่ๆเอา เจ้าของตั้งแต่ราคาหนึ่งบาทขึ้นไปก็ได้ในร้านในห้างนี่ไม่อดอ้าวราคาเท่าไหร่ได้ราคาเท่าไหร่ได้เอาราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้ได้หมดจนกระทั่งจะเอาเงินมากรอบมาทั้งแผ่นดินมัดซื้อของในร้านนี้ไม่มีอัน้นได้หมดนี่ก็เหมือนกันเอ้าผู้ที่ควรได้คุ้งามความดี ด, ด้วยขนาดไหนด้วยการให้ทานด้วยการกการาคาสินได้หมดด้วยการภาวนาประเภทไหนได้หมดถึงสมาธิภาวนาขนาดไหนได้หมดจนกระทั่งถึง อ, อริยทรัพย์ ธุาสกิจธนาคารรคะได้จะไปสร้างทึกอรหันได้หมดนั่นศาสนธรรมของผู้ยิ่งเจ ah ้าน e ี้บทข้องที่ตรงไหนเอาให้เห็นสินักปฏิบัตินีการพิสูจน์พบชาติภาณิชยไม่มีวิชาใดที่จะสังหารวัตกิจนี้ให้เป็นวิวัตกิจได้นอกจากพุทธศาสนานอกจากศาสนธรรมผูยิ่งเจ้านั้นวิชาเหล่านั้นมีแต่วิชาของกิเลสมาเสริมเป็นเครื่องเสริมมันกิเลสวิชากิเลสจะไปฆ่ากิเลสได้ย่งไง ต้องวิชาทำที่ที่จะค่ากิเลสได้วิชากิเลสจะค่ากิเลสไม่ได้เลยมีเท่าไรเท่าไรเป็นกิเลสเป็นผู้ผิดให้เออเาไปให้มันหัวเราะหรือจะไปค่าให้มันหัวเราะแล้วนี่วิชาอันนี้เครื่องมือนี้เราผิดให้นี้เอามาค่าเราได้ยงไงเราฟันหัวแกดูทีม่มันจะเลือดออกไหมมันจะเป็นยังไงนั่นไอ้กิเลสหลอกฟันหัวเจ้าของโดยซ้ำไปวิชาในทางโลกเป็นอย่างนั้นมันหลอกอวิชาธรรมนี้ต่างหากเป็นเครื่องต่ ง, งานเกศพุทธศาสนานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ใดผู้หนึ่งมาสอนนะเกิดขึ้นจากหลัก สยามภูของพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี่เป็นหลักธรรมชาติไม่มีใครจะสอนได้เลยเรียกว่าสยามภูสยามภูทรงรู้เองเห็นเองทุกๆพระองค์อย่างพระพิจิตรพุทเจ้ากับสยามภูหากไม่ใช่ภูมิผู้ประกาศศาสนธรรมเท่านั้นเองส่วนศาสนาองค์เอกแต่ละพระองค์พระองค์นี้เป็นวิสัยของพระองค์ที่จะประกาศศาสนธรรมสยามภูเหมือนกันแต่ความรู้กว้างขวางมากมายอุบายวิธีการที่จะนํามาสั่งสอนสันโลกมีมากทีเดียวนี่ผู้นี้แหะผู้ประกาศสอนธรรม หผู้ทศาสนานี่พร้อมบริบูรณ์เลยทีเดียววัตถจิตวัตจักกิเลสเต็มหัวใจจะพังไัหมดไม่มีอะไรเหลือนอก เ, อเหลือกำลังของศาสนานี้ไปได้เลยนี่ครอบหมดว่านขอให้ทุกท่านนำมาพื้นปฏิบัติย่าเข้าใจว่าตนนี้แก่มากไปตอนอ่อนมากไปตั ว, ต, วตัวเป็นคนชิดนั้นตัคนชนนี้นยาไปคิดให้กิเลสมันหลอกนิสัยวาสนาสร้างมาด้วยกันทุกคนอยู่ในหัวใจด้วยกันทุกคน จะว่ามากหรือน้อยก็สร้างอยู่ด้วยกันทุกคนนี่แหละไม่มีใครสร้างให้ใครได้ไม่มีใครดูของใครแล้วสร้างเองต่างคนต่างมีกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีเสวยผลที่บากแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทนิจใช้วาสนาของกันและกันให้สร้างตัวเองให้ดีเอาให้ได้กิจเนี่ยตัววัตถกิจวัตถจักรนี่แหละตัวสร้างภพสั้งชาติคือกิเลสตัณหาเอาวะวะกิเลส็นเลสให้ทํากรรมนี่ท่านที่ท่านว่าทํากรรมแล้วผลของการเกิดขึ้นเป็นมัรตวนสามท่านว่า จะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ของกิเลสเขาบอกอกิเลสเป็นเหตุ<ๆ>เรื่องกรรมอันหมดภายในจิตใจแล้วอยู่ไหนมันก็จะมาแล้วไม่มีหลักคำว่า ก, การสถานที่เว ล, เวลาขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีไม่มีที่เขาเข้าไปแทรกในกจิตนั้นได้เลยแล้วจะเอาอะไรมายุ่งทั้งที่มีความจงใจให้มีความมั่นใจให้มีหลักใจยารอแหละ โยกโยกคอนคเหมือนหลักปรับที่ฝ่ายการปฏิบัติธรรมต่างองค์ต่างตั้งหน้าต่างตาประ่ฤพิสปิบัติอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นเหมือนอยู่คนเดียวคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวนั้นยังให้รู้เรื่องอารมณ์ของจิตที่ว่ามันปรุงอะไรบ้างนให้รู้เรื่องอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วของตัวด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองนี่แะที่ว่าผู้มีความเพียรตั้งใจเพื่ิสปิบัติ อยลดละความเพียนทัตติเป็นสำคัญในเรื่องความเพียนหนึ่งพุทธศาสนานี่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแล้วนั่นแหละหัวใจผมนี่ถ้าใครจะว่าบ้าเขาบ้าร้อเซ็นเลยเดียวลงขนาดนั้นน่ะลงพระพุทธเจ้าลงศาสนาธรรมลงในสันติโกนี้ด้วยนไม่ได้ว่าลงอะไรอะไรให้มันมันไม่ถนัดถ้าลงว่าสันติโกนี้หมดหมดพุงเลยหมดปัญหา อเอาแค่นี้ขึ้นไปมีรู้สึกมีรู้สึกเหมือนกั น, กน